การดำเนินสู่มหากจิตวันที่23สาเมษายน 2,560 ายศึกษาธรรมไม่ใช่ไปอ่านพระไตรปิฎกธรรมะมันอยู่ข้างในความจริงมันอยู่ข้างในไม่มีตัวหนังสือนี่แหละคือศึกษาธรรมนะก็นี่ไงมาดูแล้วรูปแบบแบบฟอร์มอะไรมาล็อกไว้หมดเลยนะกลัวจะควบคุมไม่ได้กลัวมันจะหลุดอะไรที่ฉันเชื่อนะเริ่มแรกก็ไม่ใช่ธรรมะล้นะ นี่แหละพระธรรมถ้าพระครูแปลนะคือสิ่งที่ถูกเห็นพระสงฆ์เนี่ยสาวกของพุทธเจ้าเนี่ยพระสงฆ์ในพระญาติใจเนี่ยคือผู้เห็นธทมตามมาผู้เห็นทมตัวนี้หมายถึงจิตดวงนั้น เ, นเห็นรมขั้นต่ำสุดคือโสดาปติมักขึ้นไปจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นทมไม่ใช่บรรลุธรรมชั้นสูงนะขั้นต่ำสุดคือโสดาปติมกักเราเข้าสู่กระแสมากแล้วเนี่ยเห็นไม เหมือนเราเรียนปริญาตีเรียนอยู่เขาก็เรียกว่าเออทางเดินของนักศึกษาปริญญาตีเรียกว่าโสดาปฏิมักเมื่อเราจบปริญาตีปุ๊บได้ปริญาปริญาตีเนี่ยเราก็ได้เป็นโสดาปฏิผลนี่คู่แรกไม่พอใจไปเรียนปริญาโทต่ออันนี้สมมติเฉยๆยยยนะมันไม่ใช่ปริญญาแบบนั้นช่วงเรียนปริญาโทอยู่เนี่ยก็เออทางเดินของนักศึกษาปริญญาโทนะเรียกว่าสกิทาคามีมัก เมื่อจบปริญญาโทแล้วได้ปริได้ปริญญาโทมาเนี่ยเรียกว่าสกิทาคามีผลนี่สองคู่แล้วไม่พอใจทุกวันนี้ปริญญาโทนี่กระจอกมากเรียนเรียนด็อกเตอร์ต่อเรียนปริญญาเอกต่อช่วงเรียนปริญญาเอกต่อเขาเรียกว่าอนาคามีมักทางเดินของอนาคามีเมื่อจบปริญญาเอกแล้วปึ๊บนะ เ, เขียนวิทยุพลจบเจ็บปุ๊บได้เป็นปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ เรียกว่าอนาคามีผลนี่สามคู่แล้วอุ้ยดกรกระจอกทุกวันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้วมันก็คุยกันมีเรื่องด้วยนะต้องทาศาสตราจารยนะ์กำลังวิจัยวิจัยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์พอจบเป็นศาสตราจารย์ปุ๊บเนี่ยในช่วงกําลังวิจัยนีย่เขาเรียกว่าอัรหัตมักเป็นทางเดินของพระอรหันต์เมื่อวิจัยเสร็จปุ๊บได้เป็นศาสตราจารย์เขาเรียกว่าอัรหัตผล สี่คู่แดบุรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชานี่คือพระอริยสงฆ์ในพระรัตนใจสมควรแก่กราบบ้ายและบูชาส่วนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพุทธบริษัทสี่เป็นผู้แสวงธรรมตามมายังไม่เห็นธรรมกำลังแสวงธรรมอยู่นะเราก็ต้องสนับสนุนผู้ที่ฝ่ายดีกำลังแสดงธรรม นะเขาทำถูกบ้างผิดบ้างอย่าไปกล่าวโทษวเขาตัวเองก็ยังทำไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไเขากล้าปงผมเรากล้าไหมเขากล้าอดข้าเย็นเรากล้าไหมนะเขากล้าปงเสื้อผ้า ส, สวยๆงามเรากล้าไหมทุกวันนี้มันด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเนี่ยมันเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดนะนะนี่ก็เล่าให้ฟังทุกอย่างเป็นธรรมะหมดอ่ะนะการปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรค มันก็เกิดผลผลสูงสุดก็คือนิพานไม่ใช่ไปฝึกสัมมาทัก ร, รมฐานสติอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยวิชาการเขาก็แยกเออมันเป็นหมวดเป็นหมู่มันมีขั้นตอนของมันนะแล้วก็ไปคิดแบบตักกะมากไหมใช่ไหมไป A B C กอไก่ขอไข่ไปปฏิบัติฌานหนึ่งฌาน2ฌาน3าฌานส่นะส่วนมากตายก่อนกระแสกรรมมันไล่บี้เราอยู่นะทุกคนก็พูดเหมือนกันมหาสติปทานไงแต่ตามไปดูก็ไปแค่ฝึกอนุสติ อยู่ในฐานกายอย่างนี้แน่เพ่งโน่นเพ่งนี่เห็นไหมมันจะเป็นมหาสติปัฏฐานได้อย่างไรมหาสติปัฏฐานเนี่ยมันต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกายเวทนาจิตธรรมนะพระพุทธองค์ตัดในอาณาปณะสติสูตรเนี่ยทุกคนก็มีอาณาบ้านเมืองเราเนี่ยอาณาปณะสติเยอะเลยนะแต่เราเข้าใจหรือเปล่ามันคืออะไรนะพระพุทธองค์เคยตัดไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปณะสติอันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์คุณมัวอยู่แต่ลมหายใจอยู่แต่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายล่ะมันแยกส่วนไงเห็นไหมล่ะมันไม่ได้ทําให้ฐานทั้งสี่บริบูรณ์สติปฐานทั้งสอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําโพชฌงทั้งเจให้บริบูรณ์โพชฌงคืออะไรถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตนี่เราไม่สามารถเสพอารมณ์โพชฌงได้ เห็น ไ, ไหมเริ่มจากสติสัมโพชงธรรมวิจะวยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปัจสถานสัมโพชงปิติสัมโพช ง, ส ม, พชงสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงโพชงมันคืออะไรมันคือธรรมชาติเป็นสติซึ่งมีอยู่แล้วธรรมชาติของจิตซึ่งเราฝึกมาหลายหลายล้านล้านล้านล้านชาติเขาเรียกว่าอาสงไขหลายกลับนะวันนั้นเพิ่ง พูดให้ฟังว่าหนึ่งกับเนี่ยเขายกตัวอย่างว่าหนึ่งกับมันใหญ่แค่ไหนเอาละกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรนั่นแหละแปลว่า16ตารางกิโลเมตรพื้นที่มันนะแล้ววัดด้วยอะไรหนึ100่งรปีเอ า, มาเมล็ดผักกาดนี่มาใส่เม็ดหนึ่งหนึ100่งรปีแล้วมันกี่ร้อปีแล้วมันจะเต็มพวกนี้ น, ะนั่นแหละหนึ่งกับ เราต้องบำเพ็ญเพียรมาอย่างน้อยหนึ่งแสนกับเราถึงบรรลุพระอหรหันต์พวกเราบำเพ็ญเพียรมา ก, กี่ชาติแล้วอย่าดูถูกตัวเองนะถ้าไม่บำเพ็ญเพียรมาเยอะไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่อย่าดูถูกตัวเองนะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสรศิฐไม่ได้เกิดมาในร่างนุษย์ผู้ประเสรศิฐแล้วไม่ได้มาเจอคำสอนที่ยิ่งใหญ่ของพุทธเจ้า แล้วก็ไม่เจอทางตรงๆแบบนี้อีกนะอีกไม่กี่เม็ดนะนะแค่เม็ดหนึ่งก็ร้อยปีเลยร้อยร้อยอยนะไม่ถึงครึ่งเม็ดหรอกนะของพวกเราเนาะนะไม่ต้องคิดขากำไรเกินควรนะนะนะนั่นแหละทำต่อไปบางคนบอกใช่สิเพราะครูบา ร, รมีเยอะเอาก็ใช่สิ แล้วยังไงล่ะเรายังรู้ว่ามีบารมีเราต้องยิ่งรีบยี่ย บ, บ, บ, บ, บต้องทําใช่ไหมโอ้อยากกินน้ําฝนจังเลยเมื่อคืนมันฝนมันตกแล้วขี้เกียจขึ้นมาลองรับน้ําฝนมันจะมีน้ําฝนกินไหมมิแต่อยากอยากกินน้ําฝนก็ไปลองรับสิโอ้ใช่สิใช่ ส, ชสิเพราะครูบารมีเยอะเอาก็ใช่สิโดนกิเลสมันหลอกเรื่อยใช่สิใช่สิเรายิ่งบารมีเนาะยิ่งต้องทําอย่าดูถูกตัวเองนะ บารมีเราพอสมควรทีเดียวนะถ้าบอกอีกเม็ดหนึ่งกูรอตั้งอยู่ร้อยปีเลยเอาหน้าอีกเสี่ยวหนึ่งนะ่ะนิดเดียวเองเนาะกับหนึ่งแค่นิดเดียวหนึ่งเนาะโอเจนะก็เข้าสู่คำถามนะหนึ่งทำไมต้องเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวรวมหายใจถ้ามันไม่เคลื่อนไหวมันหายใจได้ไหมเห็นไหม มันเคลื่อนเข้ามันเคลื่อนออกใช่ไหมถ้ามันเข้าแล้วมันไม่ออกเป็นยังไงมันก็ตายใช่ไหมธรรมชาติมันเคลื่อนไหวพลังงานทุกอย่างเคลื่อนไหวโลกหมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์เนอะเพราะพลังของโลกมันสู้พลังดึงดูดของดวงอาทิตย์ไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนโลกให้มันเร็วเร็วมันเร็วเร็วปุ๊บเนี่ยพลังมันมากกว่าพลังดวงอาทิตย์แล้วเราไม่เป็นธาตุของจักรวาลเหมือนถ้าเราหมุนจิตเรา ให้มันเร็วๆเนี่ยนะเรามีพลังมากกว่าแรงดึงดูดของอยาอยตนะอายตนะคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะไอ้ใจนี่สำคัญมากนะมันมีถ้าเรานอนหลับเลยนี่ตาก็มองไม่เห็นพักผ่อนหมดทุกอย่างเนี่ยไอ้ตัวพักผ่อนไม่ได้คือหัวใจมันต้องเต้นเห็นไหมถ้าหัวใจไม่เต้นตายเลยนะ งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้มันก็ยังไม่เคยหยุดนะโรงงานนี้ไม่เคยหยุดเลยนะแต่เราไม่เคยเห็นใจมันเลยเราไม่เคยรักมันเลยเรากลัวมันจะตายช้าหรื อ, อยังไงนะนะให้หัวใจมันแบกดีใจก็ลงใจเสียใจลงใจะสะใจก็ลงใจตกใจก็ลงใจนี่เห็นหั้ยหัวใจมันเต้นปึ๊บมันก็ดึงจิตมาอา้าวมันมีพลังแล้วนะมันมีพลังตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเราเต้น ทีนี้เราก็สร้างพลังอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าพลังผัดสะผัดสะมันเหมือนอะไรเหมือนเราเอาลูกฟุตบอลลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสก็ได้เฟี้ยงเข้าไปข้างฝาถ้าเฟี้ยงแรงปุ๊บมันก็อิมแพคมาแรงนั่นแหละสิ่งที่มันกระทบแผลมันก็เรียกว่าผัดสะเนี่ยตากระทบลูกแผลนะถ้าวิญญาณตามันไม่ ไปมองเนี่ยไม่ทำงานเสียงกระทบหูนะถ้าวิญญาณหูมันไม่ร่วมด้วยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนะใบหูประสาทหูติ่งหูมันเป็นตัวดูดเสียงเข้ามามันเป็นเลดา้าแต่ถ้าวิญญาณหูเนี่ยไม่ทำงานเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงเหมือนเรานอนหลับสนิทเลยเนี่ยบางคืนเนี่ยทำไมเด็กร้องให้ทำไมเราไม่ได้ยินเอา้าไม่ได้หูหนวกซะหน่อยหนึง่ง ทำไมไม่ได้ยินเวลานั้นวิญญาณหูเนี่ยมันดับไงวิญญาณมันเกิดดับมันดับมันไม่รับกระแสแล้วก็กลายเป็นคนหูหนวกนะอันนี้คือตัวผัสสะเมื่อวิญญาณหูมันปุ๊บด่าปุ๊บมันเกิดแผบมันเกิดแรงดึงนะเออจิตมันก็มารับรู้เสียงไอหัวใจมันกลัวจะทิ้งมันมันก็เต้นมันดึงกลับมารู้ที่ใจนะถ้าไม่ระวังปุ๊บมารู้ที่ใจกระทบ ใจปุ๊บเนี่เกิดเวทนาขึ้นไอ้สัญญาที่มันทึกไว้ว่าไม่ชอบถูกดา่พาพอมันด่าเรามานี่สัญญาใหม่มันบันทึกว่ามันด่าเราอีกแล้วไปไปช็อตกับสัญญาเก่าวีนขึ้นมาอีกนะเนี่ยสัญญาเกิดสังขารเกิดคิดปรุงแต่งแล้วเธอด่าฉันได้ยังไงเสียเปียบวิญญาณเกิดด่าไปในหนึ่งวินาทีนี่ขันหปรุงเรียบร้อยแล้วนี่กระบวนการทางานของ อายตนาหกวิญญาณหนั่นแหละเราต้องสร้างแรงเหวี่ยงให้กับจิตมันดึงระหว่างหูกับใจลุกกับใจเวอรเจ้เหมือนเราหมุนลูกข่างเราต้องมุนสองนิ้วมันก็หมุนหมุนมุนหมุนหมุนมหมุนไปมันเข้าไปในศูนย์กลางของมันปุ๊บเนี่ยมันนิ่งเลยมันนิ่งไม่ใช่มันเลิกหมุนนะถ้าเลิกหมุนมันจะมันจะล้มลงไปเลยเนี่ยมันหมุนแรงมากมันอยู่ในแกนกลางนั้นนั่นคือเอกคตาลมนั่นคือเอกคตาลมจิตเป็นหนึ่งกับตรงนั้นแหะ พร้อมที่จะเจริญวิปัสนาเห็นไหมเพราะมันหมุนเต็มที่ลูกข่างปุ๊บมันอิสระจากแรงดึงดูดของใจกับของเสียงเนี่ยมันจะหลุดออกไปลูกข่างมันจะหลุดออกไปเนี่ยไหวนิ่งหลุดจิตเราก็เหมือนกันเห็นไหมเหมือนเราหมุนเบาๆเฮลิคอปเตอร์หมุนช้าๆมันไม่มีพลังยกขึ้นเห็นไหมมันห่อไม่ได้มันต้องเร่งสปีดเร่งเครื่องมันหมุนเร็วเมื่อมันเร็ว นะมันสามารถเอาก้อนเด็กเป็นพันกิโลนี่เหาะขึ้นไปบนอากาศได้เหมือนกันถ้าจิตเราหมุนพลังมันมากเนี่ยมากกว่าแรงดึงดูดของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะไอ้ใจเนี่ยสำคัญมากนะเพราะมันมันดึงจิตมาอยู่กับมันตลอดชีวิตเราต้องการปลดปล่อยจิตคำว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมเนี่ยบางคนกลัวว่าเฮ้ย hey, มันจะหนีออกจากร่างฉันจะไม่ตายเหรอ นะมันหลุดพ้นออกจากความเป็นาธาตุของใจเข้าไปสู่จิตในจิตนะพอเราเข้าไปถึงปุ๊บนี่คือมรคจิตล ะ, ะจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์เราตื่นแล้วคือจิตเดิมเราเนี่ยเขาจะมาพาจิตปัจจุบันเดินทางเขาจะถ่ายทอดบรารมีเขาเนี่ยที่เป็นโพชงเจตเนี่ยมาเทให้จิตปัจจุบันนี่แหละเรากาลังเจริญโพชงอยู่ในการเจริญมรคนี่โพชงเป็นตัวสุดท้าย เาเริ่มจากเราต้องใช้สติฐานสี่ไเนี่ยเขาฝึกอนุสตินะอยู่ในฐานทั้ง4ี่เนี่ยนะะเป็นพูดโดยยุ่น้อมไม่ใช่ผิดนะไม่ใช่ไม่ดีนะเหมือนเ ด, เด็กเด็กเดินไม่เป็นเนี่ยต้องสืนสอนเขายืนตั้งไข่ก่อนเห็นทุกคนผ่านมาหมดแล้วยืนตั้งไข่นั่นคือสมาธินะการประคองตัวเห็นแค่แค่ไม่ให้ล้มเฉยๆนะนั่นคืออนุสตินะแล้วเดินมาลูกทีละก้าวทีละก้าวอ้าวพยุงตัวเดินนั้นคือสติอนุสติ แต่เราหมุนติ้วติวติ้วติ้ตอยู่ในสุริยันจันธามันเรียกว่าอะไรนี่คือมหาสติกายเวลนรวมเป็นหนึ่งเดียวนะเวลานั้นเผลอไปคิดปุ๊บเซเลยนะนะถึงบอกว่าถ้ามันไม่เร็วไม่แรงแล้วเนี่ยมันจะหลุดออกจากแรงดึงดูดของไอสัตนะไม่ได้เอาล่ะจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมนี่เาเรียกว่าหลุดหลุดพ้นเบื้องต้นบางคนหลุดทีหนึ่งต้มเป็นอรหันเลย นะบางคนหลุดตุ้มเป็นอนาคามีบางคนหลุดตู้มเป็นสกิตาคามีบางคนหลุดตู้มเป็นอะไรล่ะโสดาบันนะหรืออย่างต่ำเข้าไปโสดาปฏิมักเราเข้าสู่กระแสมากแล้วไม่เสียชาติเกิดแล้วทีนี้เออทำไมเอาเปรียบคนนี้ตู้มอลหรหันคนนี้ตุ้ม เป็นโสดาบัลไม่ใช่เอาเปรียบเสียเปรียบนะเราต้องดูของเก่าด้วยนะเขาสะสมมามากกว่าเรานะเรื่องนี้แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้นะมันจะได้ขั้นไหนก็ช่างหัวมันนะบางบางทีบรรลุเร็วๆไม่ดีนะไม่มีของเล่นนะเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะยังเจ้าชายสิทธัตถ์เนี่ยชาติสุดท้ายเนี่ย กว่าทีพ่พระองค์จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์พุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาตั้งหปีนะลองถูกลองผิด อ, อ, อย่างนี้พระองค์ก็แพ้นเนรบัณฑิตสี่เจ็ัวบวบชแค่8ดวันเป็นอาหารหันต์แล้วอย่างนี้พระองค์ก็แพ้พหิยะสี่ไม่รู้เรื่องศาสนาเลยฟังเทศทีเดียวสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน ศักแต่ว่าลิ้มรสศักแต่ว่ากระทบผัสสะแค่นี้บรรลุอลหรหันต์แล้วสิไม่ใช่บรรลุเร็วก็เก่งกว่าอะไรไม่ใช่อย่าบังอาจไปเปรียบเทียบกับพพุทธเจ้านะพระองค์ต้องสะสางทุกอย่างแตกฉานทั้งหมดนะตัสู้จนแยกแยกหมวดหมู่ได้ขนาดนี้ไม่มีใครทําได้นะหลายๆกลับจะมีครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ว่าบรรลุเร็วก็ดีบรรลุช้าไม่ดีไม่เกี่ยวนะ บางคนบรรลุพึ้งก็นั่งเฉยๆนะไม่มีปัญญาที่จะทำอะไรแต่สิ่งที่ พ, พระอาหารหันต์เจ้าเหมือนกันทั้งหมดคือท่านเหล่านั้นน่ะดับทุกได้แล้วนะบางคนพ้นทุกข์แล้วก็ชอบสอนบางคนพ้นทุกข์แล้วไม่ยุ่งกับใครบางคนพูดเสียงดังบางคนพูดเสียงเบาบางคนยังเคี้ยวหมากอยู่ บางคนยังกินเหล้าอยู่กินเนื้อสัตว์เหมือนพะระลาหน์ชีกงมันไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือท่านเหล่านั้นพลทุกข์ลนะก็ทำไมถึงเคลื่อนไหวก็ตอไปนะชีวิตเราเคลื่อนไหวถ้าเราไปฝึกนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวเราเราแตกฉานเรื่องนิ่งๆนะพอชีวิตเราไปเจอเคลื่อนไหวเราไม่ทันนะเหมือนเขาจับเราไปเข้าค่ายยิงเป้านิ่งอ่นะละเรามีเวลาทาสมาธิเลงอยู่ ยิงผิดยิงใหม่ได้เป้ามันยังอยู่ไงแต่ชีวิตจริงเรามันไม่ใช่เป้านิ่งมันเป็นเป้าบินชีวิตเราเขาจะบอกเราไหมระวังนะมันพูดช้าๆด้วยนะระวังนะฉันกำลังจะด่าเธอแล้วนะมันพูดบอกเราหรือเปล่ามันตู้มาเลยเห็นไหมอาทันไหมไม่ทันนะถ้าการฝึกจิตเนี่ยการพัฒนาจิตต้องให้จิตเนี่ย ผ่านทุกๆขั้นตอนเสียงดังก็ต้องสงบเงียบก็ต้องสงบดูเฉยๆเหมือนต่อไม้ ก, ก็ต้องสงบเคลื่อนไหวก็ต้องสงบเพราะชีวิตเรามันไม่ได้เงียบอย่างที่เราคิดนี่คือข้อที่สองได้ยินที่หูมารู้ที่ใจไม่เข้าใจก็ดีแล้วไม่ต้องเข้าใจให้เข้าจิตเนาะเราจะไปเอาความเข้าใจจากเรื่องจิตวิญญาณไม่ได้ทําไปเถอะนะ มันได้ยินที่หูไม่ต้องทำอะไรเลยนะถ้าตามธรรมชาติมันมันต้องมารู้ที่ใจอยู่แล้วเห็นไมฟ้าผ่าลงมาตกอะไรตกสมองไหมมันตกใจไงทุกอย่างมันลงใจหมดเห็นของสวยๆชอบใจเห็นไหมมันด่าเราทุกใจวิญญาณเนี่ยมันจะส่งมาให้มโนวิญญาณ น, นี่คือกล่องบันทึกสัญญาเรา เห็นไหมถ้าเพื่อนสนิทเรานี่เรารักมันมากนะมันตีเราบ้างอเออเล่นแรงนะ่ะเพราะสัญญาเราบันทึกว่าเรารักมันไงเราไม่โกรธเลยนะแต่คู่อริเราเนี่ยแค่ได้ยินเสียงมันเฉยๆกูจะฆ่ามึงเห็นไหมเพราะเราบึกเราบันทึกสัญญาว่ากูเกลียดมึงมากเลยยังพูดเสียงดังอีกมันไม่ได้ตีเราเลยนะเนี่ยมันต้องมารู้ที่ใจไงเหมือนเด็กคนหนึ่ง อายุสองขวบยังไม่ไปโรงเรียนมันยืนอยู่ข้างถนนเห็นไหมมีรถเก๋งสีแดงวิ่งมามันไม่รู้นะอะไรวิ่งมาสีอะไรก็ไม่รู้แต่สัญชาตญาณมันหลบมันกลัวไงเห็นไหมมันยังไม่บรรทุสัญญาแต่พอโตขึ้นปุ๊บเนี่ยถูกครูสอนพ่อแม่สอนอนนี้สีแดงอันนี้สีดำสีเหลืองสีเขียวมันก็ไปบ่มเพราะว่ามันชอบสีแดงฉันชอบชอบนะ พอคุณพ่อซื้อสีเหลืองให้เนี่ยฉันเครียดเทียดเนี่ยมันเริ่มรู้แล้วมันเริ่มรู้ผิดแล้วไงเนี่ยตาเราเหมือนกันเนี่ยถ้าสักแต่ว่าเห็นนะมันสักแต่ว่าเห็นนะมันไม่ได้แยกแยะเลยว่ามันสีอะไรหรือมันก็ไม่ตัดสินว่าชอบไม่ชอบไงแต่ แต่เรามารู้ที่ใจพุทธสัญญามันมันบันทึกไว้ว่าเราชอบคนเขาชมเราเราชอบชอบมีความสุขมีความสุขแต่พอมันด่ามาเนี่ยฉันไม่ชอบไม่ชอบฉันโกรธโกรธเราบันทึกสัญญาที่ต่างกันนี่คือขั้นตนการทํางานของวิญญาณหกนะนั่นแหละได้ยินที่หูมารู้ที่ใจมันเป็นขั้นตนการธรรมชาติไม่แต่ว่าเอาความรู้สึกเนี่ยไปร่วมกับมันเดี๋ยวมันจะเกิดแรงดึงระหว่างหูกับใจ นะหลวงพ่อคงเราเนี่ใช้กลิน่นพุทธโธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาณาปานสตินั่นคือกลิน่นนะหายใจสั้นก็รู้ยาวก็รู้นะหลวงพ่อคงมันต้องซื้อให้มันชนที่ใจนะมันถึงจะเกิดแรงดึงระหว่างใจกับจมูกมันจะเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นเหมือนกัน พเลังเหวี่ยงเข้าไปในจิตสำนึกก็แสดงอาการพุดบบอกเออเจ้ากรรมในเวรมาทวงนี่ไปทำบุญจบกันแค่นั้นเขาไม่รู้ว่าเกิดอาการหมุนเพราะอะไรนะเอายามาอมอ ม, มาลิ้มรสที่ลิ้นมารู้ที่ใจถ้าตั้งสมาธิวิ่งไปกับมันเป็นพลังมันจะเกิดแรงหมุนเหมือนกันแต่มันเล่นสติไม่ได้ ถ้าเราลมหายใจถามว่าเราจะซื้อได้กี่นาทีเดี๋ยวเป็นลมตายก่อนแต่เสียงนี่เราไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วลึกชาติเป็นร้อยชาติพันชาติมันยังไล่ไล่ไล่ไล่ไปเลยเนี่ยพาะครูจึงเลือกเสียงเป็นตัวช่วยนะเนี่ยได้ยินเสียงทุหูมารู้ที่ใจไม่เข้าใจก็ดีแล้วทำให้มันเข้าจิตเนาะนั่งหมุนต้องเร็วต้องช้าโยกแบบไหนแบบที่เราถนัดนั่นแหละไม่มีแบบตายตัว เห้ไหมใครจะหมุนซ้ายไปขวาไปอะไรอะไรขอให้สตาร์เครื่องมันติดเมื่อมันติดแล้วเนี่ยอย่าไปสั่งการมันจิตเขารู้เองว่าเวลานี้จะช้าหรือจะเร็วจะซ้ายจะขวาให้เขาทําจิตปัจจุบันเรียนรู้กับเขาเท่านั้นเองรู้เฉยเหมือนเรามีหน้าที่ยิงเป้าบินเนี่ยมึงมาทางไหนกูก็ยิงมึงมาทางก็ยิงแล้วกําหนดไม่ได้นะแค่ให้เรายิงรู้เท่าทันมันถ้ายิงไม่เท่าทันปุ๊บเนี่ยมันก็ทบหูมันกระเทือนใจเวทนาเกิดอีกขันห้ามันปรุง แต่ถ้าเราสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเสียงด่าเราคือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามัมนเกิดมันก็ดับแต่เราไม่เห็นตอนมันดับเพราะอายตนะเนี่ยไม่ใช่ไอ้ตัวสัญจตินี่มันเร็วมากสัญชติคืออะไรคือพลังงานอย่างหนึ่งตัวสืบเรื่องของการเวลานะระหว่างอดีตมาปัจจุบันไปสู่อนาคตเราละลึกชาติได้เพราะสัญชติเราเห็นอนาคตได้เพราะสัญชตินะและตัวกระแสกรรมมันดําเนินไปเนี่ย มันมันอาศัยพลังสัญชติขับเคลื่อนตัวนี้สัญชติคือตัวสืบเนื่องของการเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ตอนนั้นเขาด่ามาปุ๊บรูปด่าปุ๊บมันเกิดแล้วมันก็ดับแต่เราไม่เห็นตอนมันดับมันเร็วมากมันก็มา ก, กระทบที่ใจเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิ ด, กดวิญญาณเกิดนะก็ไปสร้างกรรมแล้วก็เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะ แต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันกระทบปุ๊บดับ <c oughs> รูปเกิดมันก็ดับที่หูเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรุงต่อไม่ได้ขันห้าปรุงไม่ได้ปฏิสมุติบาทขับเคลื่อนไม่ได้วัฏฏสงสารหยุดแรกๆเรายังฆ่าตัวเองทิ้งไม่ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยตัวตัวสติเนี่ยรู้เท่าทันมันไม่ใช่ไปฝึกสติต้องใช้สติรู้เท่าทันมันเวลายิงเป้าบินเนี่ย ไปย่างหนอะทายหนอทันไหมเวลาเราขึ้นเวทีมวยเนี่ยเราจะเราจะไปซ้อมได้ไหมเดี๋ยวมันชกเราตายเลยตอนเราซ้อมเราชกกระสอบชกฝ่ายเดียวเราก็ไปลงว่าเราเก่งไงพอขึ้นไปเราเผลอมันก็ชกเราไงนั่นแหละเป็นแบบนั้นหละต้องใช้สติไม่ใช่ไปฝึกสติคมว่ามัรกก็คือเราเดินทางแล้วไม่ใช่ช่วงฝึกแล้วเห็นไมเดินไปสู่สนามลบแล้วแต่ตอนเดินไปต้องใช้สมาธินะไม่ใช้ขัดขาตัวเองลม้ม ไม่ใช้สติก็ตกเหวตกบ่อต้องใช้ยิ่งใช้ยิ่งชนานาญนี่เรียกว่ามรคจิตนะจำเป็นต้องมีเพลงด้วยหรือไม่จำเป็นสิบปีแรกพราะกูใช้ะระฆังตีจนะระฆังแตกไปหลายลูกขอให้มีเสียงเหรอเสียงอะไรก็ได้แล้วสังเกตไหมเราเลือกเพลงซึ่งเราฟังเนื้อหามันไม่รู้เรื่องพวกเราฟังเพลงนี้ผิดศีลนะผิดศีลนะคุณไม่ชี้ผิดศีลนะ เราไม่ได้ฟังเพลงเราฟังเสียงเราฟังเสียงจากเพลงนั้นนะเราอย่าไปง้ฟังเพลงนะฟังเพลงกิเลสนะเราฟังเสียงนะในวันหนึ่งต้องทําทุกขั้นตอนไหมถ้ามีเวลาไม่พอทําขั้นตอนไหนดีขั้นตอนไหนก็ได้ที่มันเหมาะกับเวลานั้นแล้วก็อารมณ์เราอยากจะทำเนาะ แต่ไม่ใช่ไปเดินห้างแล้วก็ไปเช็คแอนแดนอยู่ในนั้นนะ <c oughs> เดี๋ยวไทยมุงเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเราต้องดูว่าเวลานั้นมันเหมาะกับอะไรนะนะไม่ใช่ว่าทํา ช, ชีวิตเรามันไม่มีเวลาขนาดนี้แต่ว่าเนื่องจากเราไม่มีเวลาเรามาช่วงสั้นๆเนี่ยนะเราก็เอาทุกขั้นตอนเนี่ยให้มันแตกฉานแล้วต่อไปจิตมันจะบูรณาการเ อ, เองเนี่ยมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะขั้นตอนไหนก็ได้ที่มันเหมาะกับเวลานั้น นั่งๆไปแล้วอยู่ๆก็นั่งนิ่งได้ไหมตํารวจไม่จับครับแต่อย่าเผลอไปติดความนิ่งนั้นนะไปติดสุกในฌานแล้วเนี่ปัญญาไม่เกิดแล้วก็ได้แค่พักผ่อน mm. ช่วงน า, นานาจิตตังพอเต้นๆแล้วชอบไปจับจังหวะเสียงเพลงและเปลี่ยนท่าทางไปตามจังหวะเพลงถูกหรือเปล่าไม่ได้ผิดครับแรกๆเนี่ยเราไม่ได้แข็งแก่งเราต้องมีที่เกาะ เราก็ไม่ต้องไปเกาะพุโทโธยุบหนอพองหน อ, หนอไงไม่ต้องไปสั่งการอันนี้มันมีอยู่แล้วจิตมันจะฉลาดนะสังเกตนะพวกพวกครูตั้งใจที่จะทำให้เป็นแบบนั้น ก, ก, ก็ปุ๊บเปลี่ยนเพลงใหม่เลยนะถ้าเราไม่ระวังเราก็จะสะดุดนะนั่นแหละมันฝึกให้เรานี่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตเรามันไม่สมูทมันไม่ราบเรื่ตนตลอดเวลานะมันเปลี่ยนแปลงและเราะฉลลาดใช้ความเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะ ทุกจังหวะเพลงมาเป็นเครื่องมือของเราได้นะจิตมันมีปัญญาแต่ถ้าเราเล็กๆคนมาใหม่ๆนะวินอยู่เรื่อยนะบางคนถ้าเปิดสายกวนอิมนี่ยฉันชอบชอบบางคนฟังก็กูเบือบ่อเบื่อบางคนเปิดอินเดียฉันชอบชอบบางคนก็กูเบือบ่อเบื่อมีเพลงตามคำขออยู่เรื่อยนะเนี่ยนี่เราทำตามกิเลสล้นะ เพลงไหนขึ้นมาเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดนะถ้าเราฝึกบ่อยๆต่อไปชีวิตเราอะไรเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปุ๊บเราจะรู้เท่าทันมันนะทุกๆขั้นตอนที่เราทํานี่มันบวกมันมีไวยะของมันทั้งนั้นแหะขอให้อย่าท้อถอยนะครับทำไปเรื่อยๆถ้าความคิดเราเยอะมากๆควรทําโปรแกรมไหนนะทุกโปรแกรมมีประโยชน์หมดนะอย่าไปกลัวมันนะ ความคิดมันคิดมากบอกมันเลยนะมึงอย่าเลิกคิดนะกูกำลังสนุกอย่าไปกลัวมันให้มันคิดไปเลยสำคัญเราอย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเองไหมเรายืนอยู่เฉยเฉยมันคิดก็ให้มันคิดเราเต้นอยู่เฉยเฉมันคิดก็ให้มันคิดความคิดมีประโยชน์ทำให้เราเห็นมันที่เราเห็นความคิดนี่คือวิปัสสนาแต่ถ้าว่าเผลอไปคิดอีกเอ๊ะทำไมมันคิดมากจังเลยอันนี้คิดสอนคิดอันนี้คิดสอนคิดสร้างกรรม ดับเบิ้ลสร้างกรรมสมมติว่าเราเราคิดจะหาวิธีแก้ความคิดเราคิดอีกแล้วเพราะคูถึงเน้นว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้ว่ามันคิดเออรู้จบอย่าไปสนใจในเนื้อหาสาระมันคิดมันยิ่งคิดเยอะยิ่งดีเหมือนเรายิงเป้าวินบ่อยๆเห็นไหมถ้ามีเป้าหนึ่งเออของตายกระจอกมันมาสักสิบเป้าพร้อมกันนัะหลับมันโอเคไหมเมื่อเราฝึกแล้ว อ่าละเป้ายิงถูกหมดเลยต่อไปเราถูกดา่าพร้อมกันสองคนอันนี้เรื่องเล็กใช่ไหมฝึกมาแล้วมึงด่ามาเลย1ิบคนขันก็ยิงถูกไม่ต้องไปกลัวความคิดให้มันคิดไปเลยนะครับก็คำว่ารู้ธรรมเมื่อกี้เกินหน่อยหนึ่งเนอะรู้ธรรมคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้ไปว่ารู้มากไม่ได้แปลว่ารู้วิชาการ รู้วิชาการนั้นไม่ใช่ไปว่ารู้ธรรมนั่นคือรู้วิชาการเป็นองค์ความรู้เป็นวิชาการที่มนุษย์สร้างขึ้นรู้ธรำเนี่ยคือรู้ธรรมชาติความเป็นอยู่ของธรรมชาติจริงๆยกตัวอย่างว่ารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนะรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกตอนนี้โลกกาลังเปลี่ยนแปลงอะไรใครรู้บ้างว่าอารมณ์โลกตอนนี้เป็นยังไงเห็นไหมเพราะว่าทุระไม่ใช่ฉันไม่ใส่ใจ งานช่างยังไม่เสร็จเลยรวยยังไม่รวยเลยจะไปสนใจเรื่องอื่นเหรอเห็นไหมตอนนี้เทรนด์ของโลกคืออะไรเห็นไหมนะจีนประกาศเตรียมพร้อมหนึ่ง้เกาหลีใต้ก็ประกาศเตรียมพร้อมญี่ปุ่นเนี่ยสั่งทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมพร้อมการอพยพเห็นไหมขึ้นโลกตอนนี้เป็นยังไงเทรนด์ ม, มันก็คือกลิ่นไอสงครามกําลังจะเกิดขึ้นอ่ฉันไม่สนใจฉันกําลังหาเงินอยู่เห็นไหม ถ้ามันตูมตามขึ้นมาเราจะทํำยังไงนะเมืองไทยคิดว่าคงไม่ใช่เป้าใหญ่แต่มันตูมที่ไหนก็ช่างสงครามล่วงทีสาลถ้าเกิดขึ้นนิวเคลียรมันขึ้นแล้วเนี่ยทางตรงทางอ้อมเราก็ทบแน่ๆเห็นไหมถ้าคนชะล่าใจไม่เคยสนใจอะไรเลยไม่จะไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือไปท่องจําความรู้คนอื่นแล้วประเมินว่าใครจำเก่งคนนั้นได้ปริยาโทรปริญาเอกนะแล้วก็ออกมาคุยกันไม่รู้ภาษา คำว่ารู้ธทำคือรู้ความเป็นจริงของโลกใบนี้ความเปลี่ยนแปลงมันกําลังจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ปุ๊บเราก็ไม่ประมาทเราก็มาเตรียมความพร้อมนะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะแต่ไม่พูดว่าฉันไม่สนใจได้เกิดก็ให้มันเกิดหรอกฉันกําลังหาเงินกําลังอร่อยอยู่อันนั้นไม่ใช่อะไรจะเกิดก็มันเกิดนะอันนั้นคือไม่มีปัญญารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งมื่อจะไปยึดติดกับกิเลส ต, ตรงนั้นอนะ่ะพอมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นนี่ทุกข์มากๆ กำลังสร้างจะเสร็จแล้วไงอีกแค่ก้อนเดียวขึ้นไปแล้วมันระเบิดตุ้มหายไปเลยแนะตอนนั้นไม่ตายก็เป็นบ้านะเพราะมันผิดหวังนะรู้ธรรมจริงไม่ได้แปลว่ารู้มากนะรู้โลกอย่างความเป็นอย่างแจ่มแจ้งรู้ตามความเป็นจริงที่มันเป็นรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่มันกาลังเกิดขึ้นผู้เจ้าตัดสู้คือเข้าถึงความจริงของธรรมชาติอ่านะ แต่พระองค์พอถ่ายทอดออกมาพุดเป็นภาษามนุษย์จะเป็นสัญสกิจบาลีหรืออินเดียโบราณก็ช่างเนี่ยมันกลายเป็นตัวหนังสือแล้วนะพระพุทธองค์จึงรู้ไงพระองค์จึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำลาเนี่ยที่พ่อครูไม่ใช่เล่นลินนะไม่ใช่พูดเล่นว่าวันที่ระเบิดเนี่ยเลิกนับถือพระริเจ้าทันทีเลยเพราะคําว่านับถือมันหยาบไปบูชาถวายชีวิตพระองค์เนี่ยไปตัดสรุปได้ยังไงแล้วรู้วิธีแก้ด้วย เพราะพระองค์เป่งเป็นภาษาปุ๊บมันก็กลายเป็นบันทึกเป็นองค์ความรู้เท่านั้นเองนะเป็นวิชาความรู้แต่ธรรมะนั้นน่ะมันต้องเข้าไปเห็นเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตาตาคตต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้าเจ้าชายเฉลฐถา ก, ก็ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกไม่มีพระองค์ถึงบรรู้ธรรมไงไอพวกจะไปท่องจําท่องจําอยู่นั้นกะมันจะมรรู้ธรรมได้ยังไงแล้วก็เอาความจํานั้นมันทะเลาะ ก, กัน มาสร้างอัตตาด้วยนะคนที่หลงว่าตัวเองรู้นันไปหลงความรู้นั่นมันเกิดอัตตาขึ้นมาที่พ่อคูเคยเป่งออกมาข้างในนะพอเห็นดอกเตอร์ทะเลาะ ก, กันพกก่อครูจิตมันรู้ว่าโอ้เหตุสาเหตุต้นเหตุเพราะอะไรมันเป่งออกมานะสิ่งกั้นบังวิสัยทัศน์คืออัตตาอัตตาเกิดขึ้นจากความรู้ซึ่งขาดปัญญาความรู้ซึ่งขาดปัญญาเกิดขึ้นจากการไปท่องจําเรียนแบบเขามา ความรู้ซึ่งมีปัญญาต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตตอนนี้ความรู้เรามไีไปท่องจำคนอื่นแล้วไปหลงว่าฉันดูนะอันนั้นแปลว่ารู้มากไม่ได้แปลว่ารู้จริงก็ สอามวันนี้พ่อครูพ่อคูว่างๆพ่อกูก็นั่งดูนะเปิดปุ๊บเจอช่องไหนพ่อกูก็ดูเจอประกวนนางสาวไทยพ่อกูก็ดูเจอชกมวยพ่อกูก็ดูเจอมาเลเซีตลกพ่อคูก็ดูพ่อคูดูหมดนะพอพ่อคูดูปุ๊บพ่อคูจะรู้คลื่นของมันว่ามนุษย์ตอนนี้เป็นยังไงนะเมื่อวานเปิดปุ๊บไอ้ผู้ชายดาราคนไหน่าเปื้องผ้ากันพ่อคูก็ดูไง เออมันกาลังบ้ากันเนาะเห็นไหมพ่อคูก็ดูดูว่าคลื่นมนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะพ่อ ก, กูดูหมดนะคือโปรแกรมตั้งแต่อดีตเรามีอยู่แล้วเนี่ยพอเรารับโปรแกรมใหม่เข้ามาปุ๊บพ่อคูจะรู้อนาคตอย่างเด็กทําการบ้านหนึ่งบวกสองเนี่เท่ากับทําไมเรารู้ว่าเขาจะเขียนสามเราเป็นพระอารหันต์แล้วนะเรารู้ล่วงหน้าเห็นไหม หลักกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันนะถ้าเรามีข้อมูลในอดีตหมดแล้วเห็นกรรมในอดีตแล้วเราเห็นกรรมปัจจุบันมนุษย์กำลังทำอะไรทาอะไรเนี่ยเราจะรู้อนาคตอะไรมันจะเกิดขึ้นนะเอาเป็นว่าไม่ต้องตกใจนะโลกใบนี้เนี่ยขาลงขาลงนะนะเออบางทีมันก็หาเงินอยากเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าสวยๆหาเกือบตายนะบางครั้ก็เบื่อเสื้อผ้าก็แก้ผ้าเลยจริงนะ ว่านะอะไรก็ไม่รู้มนุษย์เราเนะ่มันเป็นแบบนีนะ้แต่นี่มันแรงแบบสุดขั้วเลยนะนะไม่พอใจคูก็จะยิงมันเมื่อไหร่ยิงก็เมื่อไหร่ก็ได้คิดว่าชีวิตคนเนี่ยเป็นเหมือนของเล่นอย่าประมาทนะก็ก็ไปกดเห็นอันนึงเขาบวชเนนไงค่ายนี้เนี่ยค่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปีหนึ่งบวชเนน12บสองรูปที่นี่นั่งอยู่กี่รูปเนี่ย นะประธานบริษัทใหญ่เลยนะมาอยู่ตรงนั้นโอ้โหโฆษณาไปทั่วโลกเลยนะ<ไ>ที่ศูนย์นี้เคยนะธนาคารที่เขาตั้งใหม่เนี่ยเออมาถามแล้วว่าจะเอาอะไรไหมเขาจะมีโต๊ะเก้าอี้เก่าๆที่เขาจะโลทิ้งเขาก็ยกมาให้เรานะนะ<ไ>ขนมารถกระบะหนึ่งะเอามาไว้เช่นไวโดมตอนนั้นนะไอ้ที่จะทิ้งบ้างไม่ทิ้งบ้างแต่หน่วยโฆษณามันขนมาสิบคันมาถ่ายทอดนะเห็นไหมเขาไม่มีให้อะไรฟรีๆหรอก เนี่ยนี่ไงมหาเศรษฐีมันไม่ได้ทำบุญเขาเรียกว่าทำอะไรนะโฆษณาไงพีอเนาะสังคมมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะเนาะทำบุญน่ะมันเหมือนรโยน์ก้อนหินอกจากอกเนี่ยนะมันก็เบาไงบุญคือเบาบาปคือหนักก็ดูแลตัวเองก็แล้วกันสังคมทุกวันนี้มันไม่ ไม่ค่อยมีเวลามาคิดจะทำอะไรให้สังคมจริงๆนะก็ก็เกิดเวลาพอดีนะก็ใช้เวลาช่วงสุดท้ายนี้ก็คือเราคุยกันว่าศูนย์นี้เนี่ยเรามีศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากท้องแล้วก็มีสถานีอนามัยมนะ แต่พอไม่สบายทีไรน้าว่าก็มีหน้าที่วิ่งพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะเพราะครูต้องการเห็นอนาคตเราเนมีโรงพยาบาลของเราเองโดยเฉพาะเป็นโรงพยาบาลที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะไม่ได้ว่ามันดีไม่ดีนะทีนี้เราก็เลือกแพทย์แผนไทยนะก็มีหมวยกับพรอยแพทย์แผนไทยส่วนชมพู่เขก็เลือกเรียนที่อุบลเนี่ยเอาเป็นว่าทั้งสามคนเนี่ย ได้เรียนต่อมูลิธิเราก็ตั้งกองทุนนะตอนนี้เด็กๆจะไปเรียนต่อต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะแล้วก็จบมาทำงานจ่ายหนี้ไปหางานทั้งหลายปีก็ไม่มีตอนนี้ก็ถูกบ้านเมืองรัฐบาลเองก็ไปฟ้องเด็กมันฟังแล้วมันน่าเศร้าใจเนาะแต่สำหรับที่นี่เนี่ยตอบที่ผ่านมาหลายรุ่นแล้วนะครูเราที่นี่เนี่ยสมมากมูลที่ส่งไปเรียนจบจะเป็นคนดีที่ไหนก็ได้แต่ถ้า อยากจะมาช่วยกันตัวนี้ดูแลน้องๆเนี่ยมูนิธิก็บรรจุให้มีงานทำนะก็เงินเดือนเท่ากับค่าจางการทั่วไปเขาก็ดํำรงชีวิตได้แล้วก็มาเป็นแบบพี่ดูแลน้องทีนี้พอครูดูแล้วว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยมีอนาคตนะตอนนี้เป็นนโยบายแห่งชาตินะก็คือว่าโรงพยาบาลของรัฐทุกโรงพยาบาลเนี่ยต่อไปในอนาคตต้องมีแพทย์แผนไทยศักด์รีเท่ากับแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ตอนนี้หลายโรงพยาบาลก็สร้างโรงาเขาเรียกว่าอาคารแพทย์แผนไทยแล้วแต่ไม่มีแพทย์เพราะมันเรียนไม่ทันมหาวิทยาลัยหลายอย่างก็เลึ่งเปิดมันขาดครูบาอาจารย์สอนเพราะมันเป็นสมัยก่อนก็มีแต่แพทย์แผนไทยตามชาวบ้านนะต้มยาหม้อต้มอะไรนะแต่ทีนี้เขาจัดเป็นระบบวิทยาศาสตร์เนะพราะครูก็วิ่งไปศึกษาเองนะแล้วก็ตกลงเราเลือก แพทย์แผนไทยวิทยาลัยแพทย์ไทยที่เชียงรายเพราะว่าเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ตอนนั้นในหลวงของเราท่านก็สนับสนุนนะแล้วก็แพทย์แผนไทยเนี่ยได้ใบอนุญาตสี่ใบหนึ่งทำข้อดได้ 2. ปรุงยาได้เป็นเพศัชนะปรุงสมุนไพรได้สเปิดคลินิกรักษาคนได้สศาสตร์นวดแผนไทยสมัยใหม่เนี่ยก็รักษาได้ มีบริญาต4ี่ใบจริงๆแล้วเด็กเราไม่ต้องเรียนโมหกหรอกนะคือเด็กยากจนพอเรียนจบแล้วไปค่นิมสนเสียนก็ไม่มีงานทำนะทีนี้ถ้าเกิดต่อไปเรามีครูบาอาจารย์มาเนี่ยมาเรียนนวดแพทย์แผนไทยนี่ก็มีอาชีพได้นะจากนี้ทั่วโลกเขาต้องการนะแล้วก็เงินเดือนมากกว่าปริญญาโทอีกรายได้นะอันนี้ก็ไม่ต้องไปฝืนนะเราเรามาเลือกไอ้ที่มันเหมาะกับ ชุมชนไม่ใช่ไปเห่อตามเขาส่งไปเรียนเมืองนอกไปใช้เงินเยอะๆกลับมาก็ไม่ได้ทํางานอะไรนะก็พวกครูก็เล่าให้ฟังว่าศูนย์นี่กําลังทําแล้วก็รุ่นต่อรุ่นงานหนักเลยยังรออยู่นะเด็กๆทุกคนที่มาบวชเรียนที่นี่นะพ่อครูบอกทุกคนมีสิทธิ์หมดแต่ต้องเรียนนะเพราะว่าพวกครูไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเวลาเราไปสอบเข้าปุ๊บเขาประเมินเรื่องวิชาการเรานี่ยเขาไม่ได้ประเมินคุณธรรมสักหน่อยหนึ่งเนี่ย กระทรวงศึกษาก็บอกว่าเป้าหมายคือสมัยก่อนความรู้คู่คุณธรรมคู่ขนานแบบรางรถไฟบางทีรถไฟมันก็ตกรางเนาะตอนนี้ให้มันขังหน่อยคุณธรรมนําความรู้นะแต่ไม่มีวิชาไหนเลยสอนให้มีคุณธรรม78ดหมวดวิชามีแต่ไปท่องจําวิชาการของคนอื่นแม้กระทั่งวิชาพุทธศาสนาก็อวิซ้อนอยู่ในสังคมนิดๆไปท่องจําแค่ว่าศีลห้ามีเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะเกิดคุณธรรมหรือเห็นไหมที่นี้พว ก, กูก็ หวังว่านะศูนย์นี้เกิดขึ้นเพราะบา ร, รมีสมเด็จญานะปีนั้นถ้าข้าราชการใครบวชให้สมเด็จญาได้สองขั้นหมดเพราะคูเป็นเจ้าเจ้าภาพบวชพระภิกษุ11รบูปไปบวชเจ้าคณะอำเภอนะวันแล้วก็อบลมแล้วทีนี้ศูนย์นี้ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยนะแล้วเวลานี้เนี่ยพราคูก็เปิดหอพักนะเพราะว่า พ่อไปทางแม่ไปทางหนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านเปิดหอพักทีแรกก็เหมือนเอาปูใส่กระดง้งแต่คุบอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อคุณแม่ชีพูดมากมันก็บอกว่าบังคับนะพอเราบวชภาคฤดูร้อนเดือนหนึ่งอา้าวพ่อครูให้รางวัล น, นะพ่อครูไม่เคยลงโทษใครนะแต่พ่ะครูจ้องที่จะให้รางวัลสังคมทุกวันนี้จับผิดมัวจะลงโทษนะไม่เคยให้รางวัลคนทําดีเลย นะพ่อกูก็ให้รังวัลพาไปเที่ยวผาซ่อนแก้วพาเขาคอให้อาจารย์ปรมีจะศึกให้เราปรากฏว่าไปถึงที่นุน่นทั้งเนยนน้อยไม่ชีน้อยไม่มีแม้แต่หนึ่งคนศึกกลับมาเราจะบอกพ่อแม่เขายังไงโอเคในขณะนั้นในหลวงราชการที่เก้าพระองค์ประชวนประทับอยู่ที่สิริราชอา้าวเด็กๆ เ, เราบวชให้ในหลวงพรรษาหนึ่ง พระบวชเนี่ยก่อนจะออกพรรษาไม่กี่วันส3บสาตุลาที่ผ่านมาพราะองค์สวรครคตทุกคนบวชต่อ น, นี่คือบารมีของในหลวงพระคูเลยเห็นชัดเลยต่อไปอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่โรงเรียนศูนย์พลานคอยใครจะมาเรียนที่นี่ต้องบวชหมดส่วนใครจะเรียนไปกลับต้องไปเรียนที่ ที่ด่านเมนที่โน่นเราถึงมีโมหขอให้มีความรับผิดชอบเด็กทุกวันนี้อย่าไปสอนให้มีความรู้มันเป็นแค่ขยะความรู้ไร้สาระเพิ่มอัตราเราต้องสอนให้เขาฝ่ายเรียนรู้ความรู้ทุกวันนี้นี่เรื่องเล็กกดปุ๊บมันก็รู้แล้วกดปุ๊บก็รู้เราไม่ต้องไปจํานะไอการศึกษาที่ไร่สาระเนี่ยทุกวันนี้จรงิงๆแล้วต้องให้เด็กเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปในห้องเรียนเลยนะไม่ใช่ให้มันไปจํานะ นะให้เขาฝ่เรียนรู้แล้วให้เขาหาข้อมูลด้วยตัวเขาเองนะแต่เมืองไทยไม่ทันหรอกมันจะทะเลาะ ก, กันอยู่นะก็วันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าพี่พลอยพี่หมวยเนี่ยวันที่2ี่นี้ต้องเดินทางไปเชียงรายนะแล้วก็สามคนนี้เป็นตัวแทนมอหกเราวันนี้ก็ถือโอกาสว่าเป็นรุ่นแรกที่จบที่นี่ก็จะมีการบายสีสู่ขวัญกันนะ เ, เพื่อเป็นกาลังใจนะก็ เดี๋ยวเชิญให้ผู้อวุโสนะที่อวุโสเนี่ยก็มาช่วยกันนะผูกแขนนะเดี๋ยวถ้าผูกกันหมด ก, ก็ก็ไม่จบนะพวกไม่ชีน้อยอะไรไม่ต้องนะแล้วก็พวกไม่ชีใหญ่ก่อนแล้วก็ผู้อวุโสหงหลังมาช่วยผูกแขนนะเอาเอาป็นยังไงเอามาให้พระครูผูกก่อนมั้ย ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยไม่แยกเธอแยกฉันทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะทุกคนมีหน้าที่ดูแลลูกหลานเราเขาคืออนาคตของชาติยุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติสร้างชาติสร้างยุวชนเยาวชนอย่าไปแยกว่าลูกเธอลูกฉันบางทีเราลักลูกเราจะลูกเราคือปัญญาเขาไม่มีไงแล้วก็ดูแลข้ออุปภาพนะลูกใครก็ได้ที่เขามีศักยภาพเพื่อจะมาสร้างชาติ นะเออมาสร้างศาสนานะลูกเราทุกคนนะลูกเราทุกคนนะเขาไม่ดีเราก็มีหน้าที่ทำให้เขาดีนะที่นี่จะเน้นเรื่องปลุกสำนึกเขาตื่นขึ้นนะให้เขามีความรับผิดชอบนะบางทีผู้ปกครองไม่เข้าใจนะนะเด็กที่นี่ตัวเล็กๆ หกวบวตื่นมาตีสี่ครึ่งตีห้านะวิ่งรอบศูนย์นะแล้วก็ช่วงเวลาว่างเนี่ยก็ไปปลูกผักกันนะเขาจะเกิดทักษะชีวิตเขาจะมีความแข็งแกร่งเขาจะมีความอดทนนะเราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะเพราะเราไม่ได้ค้าขายคำว่าใช้แรงงานเด็กก็คือว่าเราไปเอาเปรียบเด็กเพื่อความมั่งคั่งของเราอันนี้ เราสอนให้เด็กรู้จักใช้แรงงานนะต้องแม่นๆนะรักลูกให้ถูกทางไม่ใช่สปอยเขาสุดท้ายเขาทำอะไรไม่เป็นนะโลกต่อไปนี้ไม่อยู่ได้ง่ายการแข่งขันยื้อแย่งมันจะมากขึ้นนะเราจะสอนให้ลูกหลานเรารู้จักเอาตัวรอดแล้วก็มีส่วนเกินช่วยเหลือสร้างสังคมนะ ทางพระคุณเจ้ากับสามเณรไปพักผ่อนได้นะเนาะเนาะคงไม่สะดวกนี่เขาเป็นผู้หญิงนินมนต์ครับเนนไปพักผ่อนเนาะ